กันที่หนึ่งอุปสรรคปรทาครั้งแต่โบราณกาลจนมาบัจจุบัมีคนจำาพวกหนึ่งพอใจจะชักจูงคนให้ประพฤติ ธ, ธรรมโดยเข้าใจว่าได้ประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จแก่มหาชนทำความเกิดของตนไม่ให้ไร้ผลเปล่าคนจำพวกนี้ที่อุกฤษได้ยอมสละโภคสมบัติยศศักดิ์ และความสุขส่วนตัวเสียประพฤติเป็นนักบวชเที่ยวสั่งสอนมหาชนชักจูงให้ประพฤติธรรมที่ตนนับถือว่าเป็นดีมีคนนับถือมากได้รับความยกย่องเป็นศาสดาคําสอนที่พวกคนเป็นอันมากนิยมนับถือสืบมาจัดว่าเป็นลทัทธิหรือศาสนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพระศาสดาของพวกเราก็เป็นพระองค์หนึ่ง แห่งคนชะพวกนั้นพระองค์มีพระกรุณาใหญ่ในหมู่ชนฝังอยู่ในพระสัน ด, ดานแม้พระองค์ประสูตรในสกุลกษัตริย์และเป็นรัชทายาทผู้จะได้รับราชสมบัติสืบพระวงค์มีทางที่จะได้ทรงทำประโยชน์ให้แก่มหาชนผู้อยู่ใต้ปกครองถึงอย่างนั้นก็ยังพอพระหรไทัยในทางเป็นผู้สั่งสอนมหาชนมากกว่า คลองแผ่นดินข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงผนวดเป็นธรรมดาของท่านผู้บวช ด, ด้วยความประสงค์เช่นนั้นจะลงสันนิษฐานว่าจะเข้าพวกเป็นผู้ช่วยท่านผู้อื่นหรือจะทำเองตามลำพังในชันแรกพระองค์ทรงน้อมพระหฤทยัยไปในเข้าเป็นพวกช่วยท่านผู้อื่น และได้เสด็จเข้าไปอยู่ในสองสำนักแต่ไม่พอพระหฤทัยในลัทธิของสองขนาดจ่านั้นภายหลังจึงทรงพระดำริจะทำตามลำพังเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องทรงเลือกทางและสนิฐานลงไปว่าจะสอนเขาไปในทางไหนทรงค้นคว้าหาไปจึงได้พบความบริสุทธิ์ว่าเป็นมูลแห่งความดีทั้งปวง พระองค์ทรงตั้งอุตสาหะภาคเพียรทำพระองค์ให้บรรลุความบริสุทธินั้นได้ก่อนแล้วจึงเทศนาสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นต่อไปในชั้นต้นทรงแสดงแก่พวกนักบวช ด, ด้วยกันก่อนเมื่อมีผู้เชื่อถือและทูลขอเข้าพวกด้วยก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้เป็นภิกษุเหมือนกันด้วยพระวาจาว่าเป็นภิกษุมาเถิด เพียงเท่านี้ก็เป็นอันทรงรับเข้าหมู่การบวชอย่างนี้เรียกเอหิภิกุุอุปสัมปทาแปลว่าอุปสมบทด้วยทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุมาเมื่อมีสาวกหลายรูปพระองค์ทรงส่งให้แยกกันไปประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นๆครั้นมีผู้เลื่อมใสสมัครจะบวช สาวกเหล่านั้นก็พาคนเหล่านั้นมาเฝ้าพระสาสดาเพื่อจะได้รับพระอนุ ญ, ญาตเป็นภิกษุตามธรรมเนียมที่เคยส่งมาพระสัสดาทรงพระดำริเห็นความลำบากของท่านผู้พาและคนผู้ตามมานั้นพราะทางกันดาลไปมาไม่สะดวกจึงทรงพระอนุ ญ, ญาตให้สาวกรับข้าวหมูได้เองแต่เปลี่ยนวิธีรับเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่พยักเพย์ดังที่ส่งมาให้ผู้จะบวชเข้าหมูนั้นปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะถือเพศก่อนแล้วเปล่งวาจาแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยอาการเคารพจริงๆิเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นอันรับเข้าหมูหรือบวชเป็นภิกษุได้เหมือนกันการบวชอย่างนี้เรียกว่า ติสรณะคมนุประสัมปทาแปลว่าอุปสมบทด้วยถึงสามสรณะในยุคต้นแห่งตรัสรูการรับเข้าหมู่หรือรับบวชให้ภิกษุสำเร็จด้วยอำนาจบุคคลคือพระศาสดาทรงเองบ้างสาวกทำบ้างด้วยประการอย่างนี้จำเนียนการล่วงมาพระศาสนาเจริญแพร่หลายขึ้นโดยลำดับ มีคนนับถือมากพุทธบริษัทมีทั้งบรรพชิตทั้งคฤรืหัดทั้งชายทั้งหญิงพระสัสดามีพระประสงค์จะทรงประดิษฐานให้เป็นหลักมั่นคงพระองค์ทรงมุ่งประโยชน์ของมหาชนยิ่งกว่าผลส่วนพระองค์เองจึงได้ทรงอนุญาตมอบให้สงเป็นใหญ่ในการบริหารคณะสงนั้นไม่ใช่ภิกษุเฉพาะรูป ดังคนสามัญเข้าใจกันอยู่ภิกษุหลายรูปเข้าประชุมกันเป็นหมู่เพื่อทํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนประชุมแห่งพวกสมาชิกของสมาคมนั้นๆซึ่งมีอํานาจให้สําเร็จกิจธุระของเขานี้เรียกว่าสงฆ์สงฆ์นั้นย่อมมีองค์เป็นกําหนดสําหรับกิจนั้นๆกิจโดยมากต้องการสงฆ์มีพิกษุทสี่รูป สงผู้ทำกิจเช่นนี้เรียกว่าจตรวรคแปลว่ามีพวกสแต่กิจบางอย่างต้องการสงมีภิกษุหารูปบ้าง10บรูปบ้าง20รูปบ้างสงผู้ทำกิจเหล่านั้นเรียกว่าปัญจวัคค์มีพวกหทศวัคค์มีพวกสิบวีสติวัคค์มีพวก20สเป็นลำดับกัน ตกมาถึงชั้นนี้อุปสมปทาคือรับบวชคนให้เป็นภิกษุเข้าหมู่จึงเป็นหน้าที่ของสงฆ์จะพึงทําด้วยอย่างหนึ่งพระศาสดาจึงทรงงดการประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เสียและทรงเลิกการให้อุปสมบทของสาวกเสียด้วยทรงอนุญาตให้สงฆ์ทาด้วยวิธีซึ่งเรียกว่ายติเจตุถกรรมะอุปสัมปทา คือภิกษุประชุมครบองค์กาหนดในเขตแห่งชุมนุมซึ่งเรียกว่าสีมากล่าวว่าจะประกาศเรื่องความที่จะรับคนคนนั้นเข้าหมู่และได้ความยินยอมของภิกษุทั้งปวงผู้เข้าประชุมเป็นสงนั้นองค์กาหนดของสงผู้ให้อุปสมบทได้นั้นในประเทศที่มีพระดื่นซึ่งในครั้งนั้นชี้เอามัธยมประเทศ สิรูปในประเทศที่หาพระยาซึ่งชี้เอาปัจจันตะชนบทเพียงห้ารูปก็ได้อุปสมบทสําเร็จด้วยอํานาจสองอย่างนี้เป็นถึงการทุกวันนี้ภิกษุผู้ได้อุปสมบทด้วยวิธีซึ่งทรงเองที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ดีโดวยวิธีซึ่งสาวกทำที่เรียกว่า สรณะขมานุปัสสัมปทาก็ดีด้วยวิธีที่สงธรรมที่เรียกว่ายติเจตุถักกรรมมะอุปสัมปทาก็ดีทั้งสมเหล่านี้มีสังวาตคือทําเป็นเครื่องอยู่ร่วมเป็นอันเดียวกันเข้าเป็นพวกเดียวกันได้ครั้นทรงเลิกติสรณะขมานุปัสสัมปทาเสร็จแล้วได้ทรงพระอนุญาตให้เอาวิธีนั้นมาใช้บวชกุลบุตร ผู้มีอายุยังหย่อนไม่ครบกำหนดเป็นภิกษุให้เป็นสัมมเนนยังเสร็จด้วยอำนาจบุคคลคือสาวกหรือภิกษุผู้เถระนั่นเองเมื่อเกิดมีสัมมเนนขึ้นการบวชจึงเป็นสองคือบวชเป็นภิกษุเรียกว่าอุปสัมปทาหรืออุปสมบทบวชเป็นสัมมเนนเรียกว่าบประชา และ ว, วิธีที่สงฆ์จะให้อุปสมบทก็ให้แก่ผู้ได้รับบรรพชาเป็นสมณีมาแล้วนี้ใช้เป็นธรรมเนียมมาจนบัดนี้คราวนี้จะอธิบายถึงธรรมเนียมให้อุปสมบทของสงฆ์ผู้จะอุปสมบทนั้นจะต้องเป็นชายมีอายุครบกาหนดเป็นบุรุษคือไม่ต่ำกว่า20ปีนับแต่ปฏิสติมาหาได้เป็นมนุษย์วิบัต คือถูกตอนเป็นต้นไม่ไม่ใช่คนทำความผิดอย่างร้ายแรงเช่นฆ่าบิดามารดาและไม่ใช่คนเคยทำความเสียหายในพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงคือต้องประราชิกเมื่อบวชเป็นภิกษุคราวก่อนหรือไปเข้ารีดเิรทถีทั้งที่เป็นภิกษุถ้าเป็นคนมีโทษเห็นป่านนั้นหรือเป็นสตรีอุปสมบทไม่ได้ เรียกว่าวัตถุวิบัติหากสงค์จะขืนให้อุปสมบทหรือทำให้โดยไม่รู้ก็ไม่เป็นภิกษุโดยถูกต้องแก่พระบัญญัติรู้เข้าเมื่อใดจำจะต้องให้ออกเสียจากหมู่เมื่อนั้นคนพ้นจากโทษ ด, ดังว่าแล้วเรียกว่าวัตถุสมบัติควรจะรับอุปสมบทได้แม้คนผู้ไม่ต้องห้ามเป็นเด็กขาดเช่นนั้นแล้ว ก็ยังควรจะเลือกสรรอีกควรจะเว้นคนเสียชื่อเสียงเช่นคนเป็นโจรหรือหัวไม้ขึ้นชื่อโด่งดังคนทำความผิดถูกรับอัชญยะแผ่นดินมีเครื่องหมายติดตัวเช่นถูกเคียนหลังลายถูกสักหมายความผิดคนมีอวัยวะพิการต่างๆคนมีโรคไม่รู้จักหาย ซึ่งไม่สามารถจะทำหน้าที่ของภิกษุได้คนมีโรคที่จะติดกันมีโรคเรื้อรังคนอยู่ในห่วงห้ามของผู้อื่นคือคนอยู่ในปกครองของมารดาบิดาคนอยู่ในราชการคนเป็นท่าเป็นหนี้ของผู้อื่นแต่คนจาพวกหลังพ้นจากความห่วงห้ามแล้วเช่นบุตรได้อนุญาตของมารดาบิดา ข้าราชการได้อนุญาตของเจ้าหน้าที่คนพ้นจากทาตจากนี่แล้วให้อุปสมบทได้ถึงมีห้ามไว้ก็จริงแต่ไม่ได้ห้ามเป็นเด็ดขาดเหมือนคนจำพวกก่อนถ้าจับพรดจับหผูเข้ามาบวชจัดว่าบวชแล้วก็แล้วไปไม่จำต้องให้ออกเสียจากหมู่เมื่อสงฆ์จะให้อุปสมบทต้องชุมนุมภิกษุให้ได้องค์กําหนด นี้เรียกว่าปริัศสมบัติถ้าหย่อนไปกว่ากำหนดเรียกว่าปริาวิบัติให้อุปสมบทไม่สําเร็จการนี้ต้องพร้อมเพรียงกันทําต่างว่าในตำบลหนึ่งมีภิกษุมากกว่าองค์กำหนดแต่ชุมนุมไม่พร้อมกันไม่ได้รับฉันท้าของผู้ไม่ได้เข้าชุมนุมสงที่ชุมนุมนั้นแม้ครบองค์กาหนดก็ยังให้อุปสมบทไม่สาเร็จ นี้เรียกว่าสีมาวิบัติคือเสียพระเขตชุมนุมเพราะเหตุนั้นสงฆ์แม้ครบองค์กำหนดแล้วต้องสันนิบาตในเขตชุมนุมซึ่งเรียกว่าสีมาจึงจะให้อุปสมบทสำเร็จนี้เรียกว่าสีมาสมบัติคือความพร้อมมูลแห่งสีมาอันหนึ่งสงฆ์ผู้จะให้อุปสมบทนั้น ต้องตรวจตราผู้จะอุปสมบทให้เห็นว่าเป็นผู้สมควรก่อนแต่ข้อที่ยกขึ้นไล่เลียงนั้นแต่บางข้อจะเป็นเพราะเลือกแต่ข้อที่ล่อแหลมหรือในชั้นต้นเพียงเท่านี้ข้ออื่นเพิ่มมีในชั้นหลังต้องให้ผู้นั้นหาภิกษุรับรองหรือชักนําเข้าหมู่รูปหนึ่งซึ่งเรียกว่าอุปชัยยะต้องเป็นผู้ใหญ่ สามารถฝึกสอนเมื่อบวชแล้วและต้องตรวจตราเครื่องบริขารที่จำเป็นของภิกษุคือไตรจีวรกับบาทให้มีพร้อมถ้าบกพร่องเป็นหน้าที่ของอุปชายยะจะหาให้ถ้าซักไซด้วยเรื่องเหล่านี้สงสมมุติให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ทรรมและการอุปสมบทนี้ต้องให้แก่ผู้สมัครเท่านั้น เขาไม่สมัครจะให้ขืนใจเขาไม่ได้จึงมีเป็นธรรมเนียมผู้จะอุปสมบทต้องเปล่งคำขอกรณียาเหล่านี้เรียกว่าบุรพกิจควรจะทำให้เสร็จก่อนสวดประกาศหากทำขาดไปบ้างถ้าไม่เป็นข้อวิบัติอย่างเด็ดขาดก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่จัดว่าไม่ถูกธรรมเนียมเมื่อพร้อมด้วยสมบัติทั้งกล่าวแล้ว จึงเป็นวาระที่จะสวดประกาศรับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้าหมู่เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปหนึ่งผู้มีความรู้ความสามารถจะประกาศให้สงฟังวาจาประกาศนั้นสี่เที่ยวเที่ยวแรกเป็นคำพเดียงสงขอให้อุปสมบทคนชื่อนั้นเรียกว่ายติอีกสามเที่ยวเป็นคำหารือกันและกันของสง ที่ตกลงว่ารับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้าหมู่เรียกว่าอนุสาวนาในระหว่างนี้ถ้ามีภิกษุแม้รูปหนึ่งคัดค้านขึ้นการนั้นเป็นอันเสียใช้ไม่ได้ถ้านิ่งอยู่ทุกรูปถือเอาเป็นยอมต่อ น, นั้นมีคำประกาศซ้าท้ายว่าสงรับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้าหมู่เสร็จแล้วผู้ประกาศจําข้อความนี้ไว้ ในคำประกาศนั้นจำจะต้องออกชื่อผู้อุปสมบทออกชื่ออุปชายยะผู้รับรองหรือผู้นำเข้าหมู่ออกชื่อสงผู้เป็นเจ้าการขาดไม่ได้และจะต้องประกาศให้ครบกำหนดและให้ถูกระเบียบไม่สับหน้าสับหลังดังนี้เรียกกรรมาวาจาสมบัติตรงกันข้ามเรียกกรรมาวาจาวิบัติ ใช้ไม่ได้สงฆ์จะให้อุปสมบทต้องทำให้ได้พร้อมด้วยสมบัติหประการทางนี้จึงจะเป็นอันทำได้ดีถูกระเบียบที่มีพระพุทธานุญาตไว้